สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิชัยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เราอยู่ในคิดพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสิบสี่คอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกสิบเก้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความจริงห้าประการซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับความบาปครับผมอยากจะขอทบทวนห้าประการนี้และเพื่อที่ แต่ละวันต่อไปนี้ห้าวันเราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความจริงสำคัญห้าประการนี้ประการแรกครับบุตรของพระเจ้ายังคงทาบาปได้อยู่เพราะเหตุที่ว่าเราอยู่ภายใต้ความอ่อนแอของเนื้อหนังประการที่สองบุตรของพระเจ้าจะต้องรู้สึกกังวลหรือมีความรู้สึกผิดหลังจากทาบาปเพราะเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธ กำลังกระทำภาราชกาจของพระองค์ในชีวิตของบุตรของพระเจ้าประการที่สามครับบุตรของพระเจ้าจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างต้องจัดการบางอย่างเกี่ยวกับความบาปของเขาเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นจะต้องตระหนักว่าเขาทําบาปและเขาต้องมีความรู้สึกเสียใจเขาต้องมีความรู้สึกสํานึกบาปเขาต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจ และเขาจะต้องสารภาพขอการอภัยโทษจากพระเจ้าประการที่สี่ครับบุตรของพระเจ้าจะต้องมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษให้กับเขาอย่างแน่นอนเพราะเหตุที่พระเจ้าทรงเป็นความรักและไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้การยกโทษก็จะมาถึงเราเมื่อเราได้มีความรู้สึกเสียใจและมีความรู้สึกกับใจใหม่ มีท่าทีที่ถูกต้องนำมาถึงการสารภาพและการให้อภัยประการสุดท้ายครับบุตรของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าการยกโทษให้กับคนอื่นการขอการอาภัยคนอื่นมีความสาคัญและมาก่อนการยกโทษของพระเจ้าพี่น้องครับการยกโทษคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นนี่คือความจริง ปัจจัยความจริงสําคัญห้าประการเกี่ยวกับความบาปของเราเมื่อเราอาธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดยกความบาปผิดของเรานั้นเรากําลังทูลขอการยกโทษจากคุณพ่อเพราะว่าเราเป็นบุตรของคุณพ่อพระบิดาบนสวรรค์เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ตามหลักการของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดไว้วางใจในพระเยซูผู้นั้นก็ ต้อนรับเพียร์ซูเข้ามาในชีวิตเมื่อเขาต้อนรับพียร์ซูเข้ามาในชีวิตเขาก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเราได้รับธรรมชาติใหม่ครับเราได้รับชีวิตใหม่เราได้รับการบังเกิดใหม่เมื่อเราต้อนรับพียร์ซูเข้ามาเราสามารถเรียกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งหลายผู้มีนิทานุภาพสูงสุดผู้ทรงสัพพัญยู ผู้ทรงอยู่ทั่วทุกแห่ง้นว่าเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ของเราได้เรากลายเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่ทีน้องครับสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งแอบไปด้านหลังของคุณพ่อและทำสิ่งที่พ่อห้ามพ่อคนนี้จะไม่ได้เป็นพ่อของเด็กคนนี้อีกต่อไปแล้วหรือคาตอบคือไม่ใช่ลูกคนนี้จะไม่ได้เป็นลูกของคุณพ่อต่อไปแล้วหรือคาตอบคือไม่ใช่ นะครับไม่ใช่แน่นอนเด็กคนนี้หรือลูกคนนี้ยังเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้อยู่การไม่เชื่อฟังคุณพ่อไม่ได้ทําลายความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกนะครับผมขอย้ําเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการไม่เชื่อฟังพ่อไม่ได้ทําลายความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกแต่ทําลายสามัคคีธรรมระหว่างพ่อกับลูกครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกความบาป หลังจากที่เราบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่ได้ทําให้เราไม่เป็นลูกของพระเจ้าอีกต่อไปครับแต่มันทําลายความความสามัคคีธรรมหรือสามัคคีธรรมระหว่างคุณพ่อคือพระบิดากับลูกก็คือเราสังห์ความสัมพันธ์นั้นยังอยู่ครับแต่คุณพ่อผิดหวังมากๆคุณพ่อเสียใจมากๆคุณพ่อเศร้าโศกมากๆเราเป็นลูกของพระบิดาในสวรรค์โดยการบังเกิดใหม่ครับเช่นเดียวกับ พ่อฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังพ่อฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเสียใจเมื่อลูกลูกทำผิดเช่นเดียวกันครับหัวใจของพระบิดาของเราบนสวรรค์นั้นก็โศกเศร้าเสียใจเมื่อลูกของพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์เช่นเดียวกันชั้นใดชั้นนั้นนะครับพี่น้องหัวใจของคุณพ่อบนสวรรค์ของเราก็โศกเศร้าเมื่อเราทําบาปเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดนั้นซึ่งเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกครับ เพราะเราได้ทําให้พระบิดาเสียใจเราได้ทําให้พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เสียพระทยัยแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์แล้วกําลังขอพระเจ้าพระบิดาขอโปรดรื้อฟื้นความความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมนะครับของเรากับพระเจ้าไม่ใช่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกนะครับแต่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันสามัคคีธรรมด้านสามัคคีธรรมต่างหาก อย่างครับเมื่อเราเข้าใจถูกต้องด้วยกันผมจะขอไปที่ความจริงประการแรกเกี่ยวกับความบาปนะครับก็คือบุตรของพระเจ้ายังคงทําบาปได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องไม่ตั้งใจครับเรายังมีแนวโน้มที่จะทํำบาปได้อยู่คาําอธิษฐานของพระเยซูสอนเราว่าบุตรของพระเจ้าไม่ได้ทําตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอไปพระบิดาได้บอกบุตรของพระองค์ว่า ทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบนะครับพี่น้องครับการเป็นคนดีรอบครอบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในหลายๆลครั้งทีเดียวบุตรของพระองค์ลูกของพระเจ้านั้นยังทําดีรอบครอบไม่ได้ยังไม่สามารถหรือยังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับชีวิตเรานะครับยังขาดตกบกพร่องอยู่แต่พระเจ้ากําลังบอกว่าผิดตกยกเว้นครับพี่น้องคำว่าผิดตกยกเว้นแปลว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ เมื่อเราเข้ามาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีแนวโน้มในการทําบาปได้แต่ต้องไม่ตั้งใจนะครับเหมือนกับแม่ที่โอ้อวดกับเพื่อนๆของแม่ว่าลูกของฉันเป็นคนเป็นเด็กดีน่ารักไม่มีที่ติจริงนี้อาจจะเป็นจริงได้ครับแต่ความเป็นจริงนั้นเธอรู้ว่าลูกของเธอเนี่ยนะครับก็ยังทําอะไรผิดๆอยู่หลายอย่างทีเดียวนะครับ คนที่เป็นพ่ออาจจะบอกกับลูกชายว่าอย่าทำผิดนะเช่นเดียวกับที่พระมีร์บอกเราว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปครับพี่น้องเมื่อพระมีรีบอกว่าพระเจ้าคาดหวังที่จะลูกของพระองค์จะไม่ทำบาปแสดงว่าอะไรครับในทางกลับกันลูกของพระองค์ยังคงทำบาป ยังคงอยู่ในความบาปพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองเรายอมรับเราต้องยอมรับครับว่าเราได้ทำบาปไม่มีใครดีรอบครอบเว้นไว้แต่พระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเราทำบาปและความบาปนั้นทำลายทำลายความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมกับพระบิดาบนสวรรค์ นะครับแต่การทำลายสามกิจธรรมกับพระบิดามีหลายวิธีครับประการแรกก็คือเราทำลายสามกิจธรรมกับพระเจ้าได้โดยการไม่เชื่อฟังพระองค์ยกตัวอย่างเช่นพ่อบนสวรรค์นะครับขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ไม่เชื่อฟังเหมือนกับพ่อในโลกนี้อาจจะขอร้องให้ลูกชายทำนู่นทำนี่หยิบของล้างรถนะครับแต่ลูกชายลืมและไม่ได้ทำเมื่อลูกชายขอยืมรถ นะครับไปขับพ่อที่ฉลาดก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าลูกไม่ได้ล้างรถที่พ่อขอลูกยืมรถไปเที่ยวไม่ได้นะครับนี่คือความสัมพันธ์ฉันสามัคคีธรรมนะครับถูกทําลายลงโดยการไม่เชื่อฝังโพลประการที่สองครับเราทําลายสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเมื่อเราทําตรงกันข้ามกับพระบัญญัติของพระเจ้า ไม่เชื่อฝังพระเจ้าแถมยังทำตรงกันข้ามนะครับนี่คือสิ่งที่สามารถทําลายความสัมพันธ์ด้านสามัญธรรมกับพระเจ้าได้ทุกตัอย่างในโลกนี้พ่อส่งลูกชายไปทําธุระด้วยรถของครอบครัวคุณพ่อบอกกับลูกว่าขับรถระวังนะเอารถไปล้างและซื้อกับข้าวด้วยแต่ลูกชายกลับทํากันชนรถถลอก โดยไปคูดไปลุยโคลนนะครับและยังแถมทํารถสกปรกและยังไม่ซื้อกับข้าวเพราะลืมครับเขาทําสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อขอแต่เมื่อลูกจะขอยืมรถไปใช้เขาก็คงจะได้ยินคําตอบเดิมคือไม่ได้เพราะลูกขับรถไม่ระวังและไม่ได้ล้างรถพี่น้องครับเราเห็นภาพไหมครับว่าเราขอแต่ไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าความบาปนั้นทำลายสามัญคติธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าความบาปนั้นทำลายสามัญคติธรรมเมื่อเราไม่เชื่อฝังโพลเมื่อเราทำตรงกันข้ามกับนามัธทัยของโพลสิ่งที่โพลปรารถนาและต้องการสิ่งที่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้านะครับประการที่สามครับเมื่อเรา <c oughs> ทำลายสามัคติธรรม ของเรากับพระเจ้าโดยการไม่สนใจพระองค์นะครับไม่สนใจพระองค์คนที่ไม่เคยร่วมรับประทานอาหารไม่เคยไปไหนกับพ่อนะครับและไม่สนใจพ่อเวลามีนัดเที่ยวนะครับขอยืมรถครอบครัวไปคุณพ่อก็จะตอบว่าไม่ได้ลูกไม่เคยใช้เวลากับครอบครัวเลยเมื่อมันสำคัญสาหรับเราทำไมพ่อต้องช่วยลูก ทำไมพ่อจะต้องให้รถลูกไปขับพี่น้องครับตัวอย่างนี้อาจจะดูเวอร์ไปสักหน่อยแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าเรากําลังทําลายความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยการไม่สนใจพระองค์ถามว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมครับเมื่อลูกของพระองค์ไม่สนใจพระองค์พ่อจะพูดด้วยลูกก็ไม่ยอมฟังพ่ออยากจะมีความสัมพันธ์สามัคคีธรรมกับลูกลูกก็หนี ไม่ฟังไม่ให้เวลากับคุณพ่อเลยเมื่อลูกขออะไรจากคุณพ่อท่านคิดว่าคุณพ่อจะให้เขาไหมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับนี่เป็นประการที่สามครับพี่น้องครับสมมุติว่าเราอาธิษฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับเราคิดว่าพ่อจะให้เรายืมรถไหมครับเมื่อเรากล่าวคำว่าขอโทษครับพ่อ เปลี่ยนท่าทีไปล้างรถไปขัดสีรถไปทําอะไรที่ทาตามน้ําัไทยหรือเพื่อที่จะให้คุณพ่อนั้นสบายใจแล้วคุณพ่อจะได้ประทานให้ผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะประทานให้แน่นอนครับนี่เป็นท่าทีของการอธิษฐานคําว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรงศ์ทินองครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงศ์ เรากำลังขอการยกโทษนะครับในสิ่งที่เราทำผิดนะครับเราไม่อยากให้พระบิดาในสวรรค์เสียใจนะครับเราอยากจะให้พัทไทของพระบิดาในสวรรค์นั้นชื่นใจนะครับเรามีเหตุผลครับว่าเราทำไมต้องอธิษฐานประโยคนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าแท้จริงแล้วเราทราบมาแล้วครับว่าความบาปผิดนั้นมีความหมายในภ า, าษาศรีว่าเป็นหนี้ครับเราเป็นหนี้คนอื่นเท่าไหร่หนี้เป็นพันธะผูกพันนะครับดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานจริงๆว่าขอทรงโปรดยกหนี้พันธะของข้าพรงจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรา้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้และชัดเจนว่าการที่เราทาบาปนั้นเป็นการติดหนี้ นะครับถ้าเราขอยืมเงินเราจะต้องมีพันธะที่จะต้องใช้เงินคืนถ้าเราถอยรถชนรถของใครเราก็ต้องมีพันธะในการซ่อมรถถ้าเราทําเชือคลุมใหม่ๆของใครนั้นเปื้อนเราก็มีพันธะผูกพันที่จะต้องซักมันและถ้าเราทําบาปต่อพระเจ้าเราก็ต้องมีพันธะต่อพระองค์ที่จะทูลขอให้พระเจ้า ยกโทษบาปให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความหมายคาว่าพันธะหรือการเป็นหนี้เราต้องใช้นะครับเป็นหนี้ต้องใช้มีพันธะผูกพันต้องทำตามข้อกำหนดของความผูกพันนั้นเพราะฉะนั้นความหมายพื้นฐานของคำในพันธะสัญญาใหม่สำหรับความบาปก็คือการพลาดเป้าหมายครับพระเยซูไม่ได้บอกเราให้อธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ ในเรื่องของการที่ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องราวนะครับแต่เราเข้าใจชัดเจนครับว่าการพลาดเป้านั้นคือความบาปนะครับอย่าเมาเอานะครับว่าเรามีความบาปขอพระเจ้ายกโทษแต่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความบาปนั้นคืออะไรคือนี่ความบาปนั้นคืออะไรคือการพลาดเป้านะครับนี่คือความบาปครับและอีกนัยยะหนึ่งความบาปนั้นก็คือการกบฏต่อพระเจ้านะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้ว นะครับในอีกในยะหนึ่งก็คือความบาปนั้นเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับนะครับสิทธิอานาจของพระเจ้าเราไม่ยอมรับธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นพี่น้องครับความบาปนั้นยังแปลได้ว่าการลื่นหรือการล้มลงพี่น้องจาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดำเนินอยู่ในทางที่ลื่นและล้มง่าย เราจําเป็นที่จะต้องทูลขอพระเจ้าที่จะประยุงและประครับประคองเราครับพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสามารถชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงน้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกความผิดนะครับของเรานั่นหมายความว่าเรากําลังขอพระเจ้าชำระล้างความผิดบาปของเราความโสโครกของเรานะครับความน่าเกลียดน่าชังของเรา ใช้นี่ซึ่งพันธะเป็นพันธะที่เราได้ก่อขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน